แม่หลวงพ่อนี่ตอนนี้เก้าสิบแล้วเกิดปีอยู่ตามบัตป ร, รตประชาชนเหรอบัดประชาชนนี่มันมันลดสามปีลดลงจากบัตรคือว่าตอนนั้นมันอายุอายุสิบปีเขามาเกณฑเข้าโรงเรียนเขามันเกินเขาเลยย่อลงไปเขาเยอะเขาเขาย่ออายุลงไปย่อไปเหลือเก็ มันจะเข้าเรียนได้เออเจริงจริงมันสิบสิปีแต่ว่าเขาก็เลยบอกให้เหลืออยู่เจ็ดเหลือชันคุณบานกำนันเขาเอาได้ได้คือสมัยก่อนนี่บอกเอาเลยจะเอาอายุลดลงขนาดไหนอย่ันเข้าโรงเรียนไม่ได้ถ้าองั้นมันเข้าโรงเรียนไม่ได้เลยเรียนไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันเลยเกิดที่นครสวรรค์หรือสระบุรีสระบุรีที่สระบุรี ตำบลอะไรอำรออเภอหนองแซงเกิดที่ตำบลโคกสะอาดำอำเภอหนองแซ ง, ง, แซงจังหวัดสระบุรีมีดาชื่อมีดาชื่อแพรอ่อมดาชื่อแพรมานดาชื่อพร้อมอนายแพรนางพร้อมนะ มีพี่น้องกี่คนน้องพี่พี่สองสามต่างบรด า, า, ต, าต่างบิดา ม, <น>มีมีมีต่างบิดาคนมีต่างบิดามีพี่น้องที่ร่วมบีดาในกี่คนบดาต่างบีดาหนึ่งคนสามสามคนี Aha, เดียวสามคน สมคนบิดาตายพี่นีคนนึงตายก็ชื่ออะไรบ้างสัมเพา 1. คนที่หนึ่งคือสัมเพานายโตคนที่หนึ่งคือนายโตบุญมีคนที่สองนายสัมเพาบุญมีคนที่2องก็นี่เออคนที่สงคือนายจำหลักกุนทานันคนที่สามนายโต ในโต๊ะบุญมีคนโต๊าเี่สัมสัมภาแสงว่าคนที่หนึ่งโต๊ะสิคนที่หนึ่งโต๊ะบุญมีคนที่สองจำหลัดบุญธนานคนที่สามในสัมภาคนที่สี่นางนางศินเนาะานคมเออนะนางศินมีอยู่ สี่คนพี่น้องร่วมเนอะร่วมมานดาเนอะร่วมบิดาเนอะแล้วก็ต่างบิดาอีกหนึ่งคนเหรอเออต่างบิดาหนึ่งคนเออชื่อสองคนตางบีดาสองคนสงคนชื่อพายุสระแก้วเออมระแล้วเป็นพ้าเหรอเปลาเป็นโยมเออเป็นโยมอยู่สระแก้วหนึ่งคนชื่ออะไรสนชื่อสําราน ลนอยู่อ่อนอยู่อ่อนอ่าแล้วอีกคนนึงฟื้นฟื้นอยู่อ่อนอยู่อ่อนก็ตายอยู่ที่นี่อ่ะนั่นตายอยู่ที่ตายอยู่ที่โอมกงเนี่ยแหละอมกงฟื้นอยู่อ่อนแม่ก็ตายอยู่นี่พ่อก็ตายเอ่อตายอยู่นี่มั้เออต๊ะก็ตายอยู่นี่เอ่อลำเปาตายอยู่นี่ก็มีลูกมันเอ้ยไย ใช่เป็นลูกของสำเพอสเภาก็คือก็คือน้องน้องคนที่สามเนาะไม่ไม่ค่อยมาหาเลยใช่นี่เป็นอาจารย์อยู่วิลายเทคนิคนี่แหละเพชบูรณ์ครูพละโอ้เป็นครูพละเดี๋ยวนี้กระปดเกษเนี้ยก็ไปเห็นว่าขึ้นไปอยู่บนเขาอยู่บนเขาข้อข้อไปปลูกบ้านอยู่บนนันยังไงเอออยู่เป็นบ้านอยู่นั่นแล้วก็หายไปเลยทำงานอะไรงานเป็น อบตอะไรเนี่ยอ๋อเป็นอบตอยู่บนเขาเคาะเขาคาะแล้วก็หายไปเลยก็ไม่ได้มากลับมาได้มาไหวมาทิ้งเหรอเดือนกว่าสองเดือนกออไม่ไม่ลงมาเยี่ยมอออ่นั่นคือลูกของสมภาและลูกของโต่ล่ะโตไม่มีโตะไม่มีลูกอ่าแล้วก็มานางศิลนี่แหละเนาะที่มีลูกอีกสามคน มีสมนึกสมนึกแล้วก็มาสมคิดเหรอสมคิดแล้วก็สมบัติสมบัติสามเนาะโอเคแล้วเนาะอืมอก็สรุปแล้วพี่น้องทุกคนเนี่ยทั้งบิดาเดียวกันแล้วต่างบิดานี่ตายหมดแล้วตายหมดแล้วเออโตก็ตายแล้วไงสำเฮาก็ตายใช่ไหมล่ะ นางศิลนก็ตายแล้วแล้วก็อีกสองคนที่อยู่สักแก้วกับมรณะแล้วตายแล้วเ น, นาะโอนดมาเดี๋ยวนี้พี่สะ า, ายยังอยู่นะพี่สะ า, ายยังอยู่ที่รยกว่าลนะสัแก้วอายุร้อยกว่าเราอยกว่าาโอ้โหไปไหนมาไหนได้ยนะ้โอ้ไม่ธรรมดาเลยเคยเจอกันไหมไม่เยเยไปเจอเลยอ ไปไกลได้ไปก่อนเนี่ยไปเอ่อไปที่ตะอดขับรถไปลลรถเออเอเอปีนั้นเออไปที่สากแก้วไปากแก้วไปเยี่ยมลูกหลานเขาปรากฏว่าอายุร้อยกว่าแล้วอันนี้ในเราร้อยกว่าท่าแข็งแรงโอคนโคกเออคนท่าตะโก เป็นคนทัทโกนครสวรรค์เป็นคนทะศโกนครสวรรค์<ม>แล้วมันเออแสดงว่าเออกลุ่มลูกของคนละพ่อเนี่ยเขาจะอยู่ที่นครสวรรค์บ้างั้นเถอะอือ๋ออยู่ที่อำเภอพ่อ <ทะ S 2> พ่ออยู่ น, นครสวรรค์พ่อแกล่ะอ๋ออยู่หน้าวัดหัวเมืองอะอนวองะวัดนครสวรรค์เอ้ย เป็นเป็นท น, นายอ๋อเป็นทนายอยู่นครสวรรค์อ๋ อ, อหลายหลายคนยเราไมยได้ไปเยี่ยมกพบพี่นออะนะอ้องอยู่แถวนั้นมีอก็แล้วตอนหลวงพ่อในเรียนโรงเรียนประถมก็เรียนอยู่ที่สระ บ, บุรีเหรอเรียนมันย้ายไปหลายแห่งหรือไปอยู่นครสวรรค์กับย้ยาย ย, าย้ยายหลายแห่งหรอย้ายไปเรื่อยโรงเรียน แม่ก็ย้ายเพราะว่ามันยากจนแต่สมัยก่อนเนาะนี่ก็หับหับกระบุงหับเดียวก็ไปแลย้ายไม่รู้ย้ายไปไหนต้องไปไหนไปอยู่ชุมแสงชุมแสงชุมแสงก็เคยอยู่โนนไปอยู่อะไรวังใหญ่นครสวรรค์เลยนครอีเนี่ยนะจังหวัดนครสวรรค์เออเออโอ้ยย้ายไปไหน พ่อแม่ยากจนย้ายไปเรื่อยย้ายมาตั้งแต่นู้นอ่ะย้ายมาจากสระบุรีก็ก็คือ <Okay. S 1> สระบุรีเนี่ยตอนย้ายมานี่ก็คือพ่อตายแล้วพ่อแพนี่ปู่แพรเนี่ยตายใช่ไหมย <ăng> ังยังไม่ตายเหรอก็ย้ายมาด้วยกันไม่แค่แค่แย้ายขึ้นมาก่อนแคเพราะว่ากแกไปมีพญายาใหม่ใช่มล่ะอ๋ะอออปู่แพรเนี่เออ เ <N> นี่ยย้ายาก็ย้ายมาอยู่วังหลุมอ๋อมาที่แรกนะเนี่ยแกย้ายขึ้นมาขอนมาอยู่วังหลุมเนอ่นยจวาทางนี้หากินทะดวกก็าพากันย้ายขึ้นมาเรือ่อยๆเออเออมาุมแสงมาบางบุญ น, นาคเออเออเรือเอยพุชิตมาพุศศิตแล้วก็มาเพชรบูรณ์เออมาเพชรบูรณ์ ก็มาอยู่อมกงเหมือนกันเถอะงมาอยู่อมกงพี่ชายเขามาทำงานเป็น uh, ช่างพี่ชายนี่คือโต๊ะมาเป็นช่างอยู่โรงบานโรงงานช่างมาขอสร้างอะไรช่างขอสร้างสร้างห้งโวงขอสร้างไม่ไหวส้างเขาก็เลยชวนกันมา อันนี้ก็ชวนพากันมาบางคนเขามาไม่อยากมาเอว่ามันไข้ไข้มาเรียใช่ใช่มันกันดานสมัยนั้นมาเรียเยอะมาเรียเยอะหลวงพ่อใครไม่อยากมาเราเพชรบูรณอแต่แต่ก็มาก็คือตอนที่มานี่ก็คือทั้งปู่ทั้งย่ามาด้วยกันหรือเลือดย่ามากับลูก มาโคราชีอกมาโคราชีลาบเลยค่ะล แ, ลแล้วก็มาพรอยเออแล้วก็เอาลูกลกมาโ อ, อมาปูกบ้านอืมอย่างปลูปกบ้านพอปลูกบ้านแล้วก็ า, ายเอออยู่แล้วก็ มาได้กับไอ้ถินก็มามาแต่งงานมาแต่งงานกับผมยาเออผมยายามเป็นยามในโงบ่มก็เลยปกบ้านอยู่ติดโรงบ่มก็เลยมีที่อยู่นั่นก็เลยขยายกันมาเรื่อยเนาะแต่ก่อนนี้มันที่มันก็ไม่แพ้เลยงานโรงบ่มก็ ไรละสามร้อยมั้ยใช่มังเกิอะนะเออถูกเนาะเดี๋ยวนี้ไรหกแสนเขายังไม่ขายเลยไม่ขายเราไม่ขายแต่ก่อนนี้ก็ไม่มีปัญญาซื้อไม่มีเงินหาเงินยากแต่ก่อนนี้ก็คือไรละสามร้อยบาทละสาม้อยสมัยจักรยานคันละยี่สิบสามสิบาทเออนั่นแหละนั่นแหละลถูก่อนเนีเงินมันแพง ก็มาเขาก็เลยสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่นี่เลยยาวเลยอยู่ยาวเอออยู่ยาวเลยก็มาทั้งทั้งสามสี่คนน่นแหละมีทั้งพ่มามาที่หลังเขาอ๋อมีโต๊ะเป็นพระอยู่ตรงนั้นเออเขาย้ายมาเนี่เป็นเป็นเนรบวชเนรอ๋อก็เป็นเนนเป็นเนรเอเนนสองภาษาอแล้วก็าบวชพระในภาษาหนึ่งเออแล้วก็ภาษาที่สองมาอยู่หลงจัน มาก็พ่ะจ ะ, ะรวยท่านรวยครับอยู่บางอุาห์มือนกันเป็นเพื่อนกันครับครับมาก่อนทีนี้อเขาก็พี่สาวมาได้แวนอยู่ห้่ยลานนี้เอ่อเออเข้าหลงขวางนี่อ๋อน่นอนแ ล, แล้วที่ใจไปจำบานาอยู่โ น, น่นแล้วไปหงขวางห้่ยลานนี้ พ่อพระคูอ้วนเจ้าหนาอเภอครับยเขาคนนิมลเป็นเจ้าวาดนะก็เลยเป็นเจ้าหน้าอเภออ๋อเหรอนั่นแหละโอรู้จักใช่ไมเออพระคูหลวงพ่ออ้วนนั่นแหละหลวงพ่ออ้วนนั่นแหละอ้แเกเป็นคนจากจากไหนห้วยหลานอ๋อห้วยหลานห้วยหลานห้วยานแกเป็นคนลงศักดิ์เหรอนึกว่ามาจากขอนแก่นอ๋อห้วยล้านนี่เานี่ มนไปเป็นเจ้าวาดไม่มีเจ้าวาดแต่ก่อนนี้่วัดนั่นนะสีมงคลสีมงคลนะน่ยเปีแกไปเป็นเจ้าวาดนั่นแหละปีนั้นนะหลวงพ่อเขามามาอยู่ด้วยกันสี่ห้าสี่องค์เออเออวัดสีมงคลเอออไม่มีไรแล้ววัดเก่อนแต่ก่อนนี่เหมือนเลื่อนไม้เลเลขเล็กไม้เล็กเโบด์ก็ยังไม่ต่อเติมไม่ได เติมแต่งอไเหมือนเดิมนี่หรอเาข้างผ้าแหละสมัยปฏิรูปกแล้วพาอาจารย์สมนึกล่ะอ๋อสมนึกทีหลังสมนึกนี่สมัยนั้นมันก็มาเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์มงะกเองเออเออเออเออเวลาเราแก่เราเราไปบวดก็แก่แก่แก่เป็นผัวใจทีเอเออเออ กลับเหมืนกนวันนั้นทบุญที่บ้านอืมทบุญที่บ้านเขาก็น้มนต์แกไปครับทาบุญร้อยวันเอ่อแม่แม่เขียนนะเอ่อยังไจำได้บ่เนี้ยจาได้บ่เนี่ยจำบ่ได้จาได้เออเอแต่แกก็มามอณนาภาพแกเป็นอะไรมานมอลนาภาพเออแกเป็นอะไรไม่รู้อายุห้าสิบสองโอ้จังอายุน้อย บทนี่สุดท้ายออบูชาบทสุดท้ายอ๋อพอแล้นะอ๋อจะได้กันเป็นเจ้าคุณแล้วนะอืมก็ระดับเจ้าคุณแล้วนะเนี่ยตอนนั้นน่ะเป็นเจ้าคุณแล้วเป็นเจ้าคณแล้วเป็นเจ้าคณะจังหวัดไม่เหรอตอนนั้นอ่ะหรือเจ้าคณะอำเภอเจ้าคอำเภออ๋อเป็น้าคณะแต่เป็นเจ้าคุณแล้วเป็นเจ้าคุณแล้วโอ้ไม่ธรรมดาแล้วเป็นเจ้าคุณแล้วโอ้บุญวาสนาคนเนาะก็เนาะ เพื่อนก็มาเสียก่อนแกได้ต้อนรับในหลวงแกถ่ายรูปคู่กันในหลวงนะโอ้ไม่ธรรมดาเด็กพอ่อโอ้เนอะได้ต้อนรับของเขาออ๋เพราะสมัยก่อนเขาข้อมันขึ้นกับหลุมศักดิ์นะยังไม่แยกอำเภอนพ่ขอขอ้ขอข้อ ก็บุญกุศลแกแล้วก็ตอนหลังก็พักพวกกันก็มาบวชอีกใช่ไหมบวชชื่ออะไรหรอลวงตาอะไรที่แกตัดผมน่ ะ, นเเมะเล็กเหรอชื่อใจ<อ>ตาเล็กเหรอ๋อเออตาเล็กเนี่ยที่หลังเออนั่นแหละนั่นแหล ะ, ะเล็ก เอาบตอนแก่กันแล้วเออตอนเล็กเดกเปดึงให้บวเหรอเหรอบอกว่ามาเลยมาบวชด้วยกันบวชดบวชดีกว่าเออเอเอไม่เลิกจากการเวียนเบนคนอื่นเอออแล้วก็พอดีตาล่าบอกขั้นบวชกับลงพ่อเออเก็เลยเอาบวชอวกอยู่ด้วยกันก็คุยกันสนุกใช่ไหมตอนบวช แกมันชอบเล่นพระเ่ยส่อส่องอยู่ตลอดวันส่องตลอดวันไม่ค่อยคุยใครหรอกเลยส่องพระตลอดวันถ้มีนักนักเล่นพระด้วยกันก็เออไปคุยกันถูกคอกันเออไอเรามันไม่ไม่ถนัดเออเออมันเหมือนพวกอะไโป้งพวกอะไรเน่ยพวกส่องพระเราชอบส่องก้องส่องได้หมดวันเลยส่องหมดวันเลยแสดงว่าแกมีพระดีๆเด็ดโอ้ อเอเลยเอตอนอตอนแกมอลานะนี่บอกแล้วบอกอย่ากินเออริโควันหนึ่งตังนี<อ>่ไม่รู้กี่ขวดก็กี่ขวดแสดงว่ากินแกแ ก, กินเกิน3ขวดสิเขาห้ามนะกินเกิ น, นอ๋อมันแกงวงหรอกนินเป็น สิบเลยว่าโอ้ไม่ไหวแล้วซื้อตู้เย็นมาแช่เองค่ะโอ้โหซื้อตู้เย็นเล็กๆอันเนี้ ย, ยโอ้